ปาธิหารที่3เรื่องเทา้าส ก, กัดข้อ41ครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเท้าสักกะจอมเทพเปร่งรัศมีงามยังไัยสนทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วประทับ ย, ยืนณที่สมควรดุจกองไฟใหญ่ที่งาม และประณีตกว่ารัศมีก่อนครั้นราตรีนั้นผ่านไปชดินอุรุเวละกัสปะได้เข้าไปฟ่อลพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นราตรีนั้นผ่านไปชดินอุรุเวละกัสปะได้เข้าไปฟ่อลพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่มหาสมณะได้เวลาแล้วพัฒหารเสร็จแล้ว ข้าแต่พระมหาสมณะผู้นั้นคือใครกันหนอเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเปล่งรัศมีงามยังพระสนทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้ามาเฝ้าพระองค์ถวายอภิวาตแล้วได้เย็นในที่สมควรดุดกองไฟใหญ่ที่งามและประนีตกว่ารัศมีก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสปะผู้นั้นคือเท้าสักกาจอมเทพเข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรม ขณะนั้นชดินอุรุเวละกัตสปะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับเท้าส ก, ก่าจอมเทพเข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคสวยประตาหารของชดินอุรุเวละกัตสปะแล้วประทับอยู่หน้าที่ไพรสนแห่งนั้นปฏิหารที่สาจบ